สงัดของคืนวันโกนแม่ชีแดงนอนกระสับกระสายอยู่ในมุง้งรู้สึกหายใจขัดขัดเหมือนมีก้อนอะไรมาจุกอยู่ที่หน้าอกคิดจะปลุกเพื่อนจีที่นอนอยู่ในมุ้งข้างๆให้มาช่วยก็ไม่รู้ว่าพวกเขาจะช่วยอะไรได้ดีไม่ดีก็จะพากันบ่นให้รำคาญหูอีกถ้าจะต้องถึงกับตายก็ขอตายคนเดียวเงียบๆดีกว่าคิดได้ดังนี้ จึงนอนทนสู้กับทุกขเวทนาอยู่เพียงลําพังในความรู้สึกที่แสนจะอึดอัดขัดเคืองนั้นแม่ชีวัยห้าสิบเศษพยายามนึกถึงคำสอนของสมภารที่ท่านสอนให้กำหนดลมหายใจโดยบริกรรมว่าพองหนอยุบหนอ แต่เพราะไม่ได้ใส่ใจฝึกฝนจึงทำไม่ได้นางไม่รู้แม้กระทั่งว่าพองหายใจเข้าหรือว่ายุบหายใจเข้าใครๆที่มาอยู่วัดนี้ก็เพื่อจะมาเรียนวิปัสสนากรรมฐานแต่นางกลับมานั่งนั่งนอนๆไปวั น, ว, นวันหนึ่งและที่ร้ายไปกว่านั้นคือเป็นคนที่เห็นแก่กินกินพร่ำเพรือ่อโดยไม่เลือกลกลางวันกลางคืน เป็นเหตุให้ไม่อาจรักษาศีลแปดข้อได้ครบเพิ่งจะรู้ตัวว่าได้ดำเนินชีวิตผิดพลาดตั้งอยู่ในความประมาทมาโดยตลอดครั้นจะย้อนกลับเนื้อกลับตัวก็สายเกินแก้ด้วยว่าความตายกำลังคืบคลานเข้ามาทุกขณะนึกเสียดายเวลาที่ผ่านไปโดยไม่ได้ทำประโยชน์อันใดให้บังเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่นช่างน่าอนาถแท้หนอใต้ถุนสำนักทีนั่งหลังอ่านสุนัขท้องแก่กำลังจะคลอดลูกมันรู้สึกปวดท้องเป็นกำลังจึงส่งเสียงครางหงิงๆงิงอยู่ในความมืด เสียงนั้นดังไปถึงหูแม่ชีแดงผู้กําลังนอนทุรนทุรายรอความตายอยู่มันจะร้องหาพระแสงอะไรของมันแม่ชีแดงคิดอย่างขัดเคืองแล้วเลยปล่อยจิตให้ไปพัวพันอยู่กับเสียงของนางหลังอ่านนอนคิดงุ่นง่านอยู่อย่างนั้นกระทั่งขาดใจตายเป็นเวลาเดียวกับที่นางหลังอ่านออกลูก แม่ชีแดงจึงได้ไปเกิดเป็นลูกสุนัขจากมนุษย์ภูมิไปถือกำเนิดในดีรชานภูมิแม่ชีเขียวเป็นบุคคลแรกที่รู้ว่าแม่ชีแดงตายแม่กาหลงผู้ซึ่งจุติจากภูมิเปรตมาอุบัติในภูมิเทพเป็นผู้บอกกล่าวน่าเสียดายนะจ๊ะแม่ชี ที่คนถือศีลแปดต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานแม่กาหลงว่านั่นเป็นเพราะเขารักษาได้ไม่ครบองค์แปดตังหากหลักอย่าว่าแต่คนถือศีลแปดเลยแม่ประสงค์องค์เจ้ามีศีลถึง227ข้อหากรักษาไว้ไม่ได้ก็ต้องไปเกิดในอบายภูมิเหมือนกัน ไม่น่าเลยแดงเอ้ยเพราะความประมาทแท้ๆเองถึงต้องไปเกิดเป็นหมูเป็นหมาแม่ชีเขียวรำพันเวลาตีสี่บรรดาแม่ชีต่างลุกขึ้นมาสวดมนต์ทำวัด แม่ชีแดงรูปเดียวที่ไม่ได้ตื่นขึ้นมาร่วมสวดมนต์กับใครเขาเพราะประพฤติเช่นนี้จนกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปแล้วทำวัดเช้าเสร็จแม่ชีเขียวจึงแจ้งเรื่องการตายของแม่ชีแดงให้เพื่อนชีทราบและเตรียมการเรื่องทำศพแม่ชีเจียนไปกราบเรียนสมภารท่านกลับบอกว่าอาตอมา รู้ตั้งแต่ตอนตีสามนอนแล้วเข้าไปตอนนั้นแต่ก็ไปได้ไม่ไกลหรอกยังอยู่ในวัดนี้ภิกษุวัยสามสิบเศษพูดเป็นปริศนาวัดนี้หรือจะ๊ะเอถ้าเช่นนั้นก็คงเป็นเทพหรือไม่ก็เป็นเปรตแต่ฉันสังหรณ์ใจว่าแกคงจะไม่ไปดีแกไปเกิดเป็นเปรตใช่ไหมจะ๊ะ ท่านสมพานแม่ชีอยากรู้ไม่ใช่เปรตแต่ว่าหนักกว่ามากเพราะตายในขณะที่จิตมีโมหะอย่าลืมนะกิเลสสามตัวที่จะพาเราไปอบายภูมิคือราคะโทสะโมหะถ้าตายขณะจิตมีราคะ จะไปเกิดเป็นเปรตหรืออสุรกายถ้าจิตมีโทสะจะไปเกิดในนรกแต่ถ้าตายขณะจิตมีโมหะจะไปเกิดเป็นเดรัจฉานซึ่งถือว่าหนักที่สุดตกนรกไม่หนักกว่าหรือจ่าทานสมภารแม่ชีแยง้งไม่หนักเท่าเกิดเป็นเดรัจฉานอันนี้ อาตมาไม่ได้พูดเอาเองนะพระบรมศาสดาท่านตรัสสอนไว้ทรงกล่าวเป็นคาถาว่าราคะมีโทษน้อยแต่คลายช้าโทสะมีโทษมากแต่คลายเร็วโมหะมีโทษมากทั้งคลายช้า นี่คือหลักฐานยืนยันว่าโมหะนั้นร้ายกว่าราคะและโทสะรากเง่าของความชั่วหรือที่เรียกว่าอากุศลมูลมีอยู่สามอย่างคือราคะโทสะโมหะแต่ในอกุศลมูลเองก็ยังมีรากเง่าอีกกล่าวคือโมหะนั้น เป็นรากเหง้าของราคะและโทสะบุคคลผู้ถูกโมหะครอบงำราคะและโทสะย่อมตามมาโมหะคือความหลงความเคลา้าความไม่รู้ตามเป็นจริงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอวิชชาโมหะหรืออวิชชานี่เอง ที่เป็นรากเง่าของความชั่วทั้งปวงในอัธกถามีเรื่องเล่าเกี่ยวกับอากุศลมูลสามอย่างนี้ด้วยวันหลังจะเล่าให้ฟังเอาละ่ะไปเตรียมการเรื่องทําศพแม่ทีแดงได้แล้วเป็นอันว่าเขาไปเกิดเป็นเดรัจฉานหรือจะ่ะท่านสมพานเอถ้าเช่นนั้น คงจะไปเกิดเป็นหมาเพราะเมือคืนนั่งหลังอ่านมันออกลูกห้าตัวสีน้ำตาลสี่ตัวสีขาวตัวหนึ่งสงสัยว่าชีแดงคงเกิดเป็นเจ้าตัวสีขาวเอาเธอไว้มันโตก็จะรู้รับรองว่านิสัยเหมือนชีแดงเปียบเลยสมภารพูดยิ้มยิ้ม ลูกสุนัขคอกนั้นโต ว, วันโตคืนและก็จริงดังที่พระเจริญพูดไว้กล่าวคือเจ้าตัวสีขาวมีพฤติกรรมที่ผิดแปลกไปจากพี่น้องอีกสี่ตัวของมันเป็นต้นว่าเกียดคร้านกินแล้วก็นอนตะกะตระกรมและอาหารที่มันโปรดปรานที่สุดคือหัวปลาทูพฤติกรรมเหล่านี้มีอยู่ในตัวแม่ชีแดงครบถ้วน วันพระขึ้นแปดค่ำตรงกับวันอาทิตย์ขณะที่สมภารวัดป่ามะม่วงกำลังสอบอารมณ์ให้พุ่ป่าปฏิบัติธรรมอยู่ที่ศาลาการประเรียนบุรุษหนึ่งก็พาสตรีและเด็กชายสองคนขึ้นมาบนศาลากราบสมภารแล้วคนทั้งสองจึงบอกเด็กชายวัยสามขวบกับสี่ขวบให้กราบหลวงลุงอ้าวโยมดรอกตร์กร เองห ร, อหรือมายังไงล่ะนี่พระเจริญทักทายเพื่อนเก่าผมขับรถมาครับตั้งใจไว้นานแล้วว่าจะพาพันยาและลูกลูกมากราบท่านบุรุษวัยเดียวกับสมพานกล่าวคุณกริษเขาเล่าให้ดิฉันฟังว่าท่านมีพระคุณต่อเขามากที่เรียนจบด็อกเตอร์ก็เพราะท่านช่วย สตรีวัยส0ผิวขาวสะอาดสะอ้านกราบเรียนเด็กชายสองคนกราบหลวงลุงแล้วก็ลุกออกไปวิ่งเล่นอยู่บนศาลาเพราะเห็นว่ากว้างขวางน่าวิ่งเล่นครับผมเล่าให้คุณพิมพาฟังบ่อยๆว่าท่านเมตตาผมเหลือเกินทีวิตนี้ผมจะไม่ลืมพระคุณเลยวันนี้ผมก็ตั้งใจมาทำบุญได้ซื้ออาหารสดอาหารแห้งมาเต็มท้ายรถ ผมขอถวายเข้าโรงครัวแล้วนี่ปัจจัยสองพันบาทผมขอถวายท่านไว้ใช้ส่วนตัวเขาประเคนซองสีขาวบรรจุธนบัตรฉบับละร้อยบาทจำนวนยี่สิบฉบับพระเจริญยื่นมือออกมารับโดยไม่ต้องใช้ผ้ากราบเพราะคนถวายเป็นเพศเดียวกับท่านขออนุโมทนา สมพันธ์กล่าวแล้วจึงพูดกับผู้ที่นั่งณที่นั้นว่าญาติโยมทั้งหลายโปรดจำไว้บุญนั้นงอกได้นะบุญงอกได้เงินก็งอกได้ดูอย่างด็อกเตอร์ผู้นี้อาตมาเคยช่วยเหลือเขาโดยให้ทุนไปเรียนที่ฝรั่งเศสอาตมาให้ไปสี่ร้อยบาทวันนี้ เข้ามาถวายสองพันบาทเงินงอกเกินมาถึงห้าเท่าตัวอาตมาได้กำไรตั้งพันหกท่านพูดยิ้มยิ้มผมว่าคงไม่ได้กำไรหรอกครับท่านเพราะถ้าจะคิดกันจริงๆเงินสี่ร้อยบาทสมัยนั้นมีค่ามากกว่าสองพสมัยนี้ผมว่าท่านขาดทุนมากกว่าดรกเตอร์กริชแย้ง หากก็ไม่ได้จริงจังอะไรอ้าวขาดทุนหรอกหรืออาตมาก่อนนึกว่าได้กําไรเอแต่อาตมาว่ากําไรนะเพราะไม่ได้ลงทุนเงินนั่นเป็นของโยมแม่ไม่ใช่ของอาตมาสรุปว่าอาตมาได้กําไรสองพหรือโยมด็อกเตอร์จะแย้ง ผมไม่บังอาจแย้งท่านหรอกครับเป็นอันว่าท่านได้กำไรส่วนโยมแม่ขาดทุนคนเป็นด็อกเตอร์ยอมแพ้แต่โดยดีดีไม่แย้งก็ดีแล้วจะได้จบไม่งั้นไม่จบง่ายๆเอาละได้เวลาเพลนแล้วเดี๋ยวญาติโยมจะได้ทานอาหารกันเชิญโยมด็อกเตอร์ กับแม่บ้านที่กุติอัตมานะเดี๋ยวจะให้เขาจัดสำรับมาทานที่กุติเสร็จแล้วจะได้คุยกันมาเที่ยวก่อนยังไม่ทันได้คุยกันเลยนอนค้างที่วัดสักคืนดีไหมไม่ได้หรอกครับท่านพรุ่งนี้ผมต้องทำงานลูกชายคนโตต้องไปโรงเรียนด็อเตอร์วัยสามสิบเศษบอกเหตุผล ถ้าอย่างนั้นก็กลับเย็นๆนะแดดร่มลมตกแล้วค่อยกลับครับกลับค่ำหน่อยก็ยังได้ผมอยากคุยกับท่านมานานแล้วเชิญที่กุติเลยเดี๋ยวอาตมาจะตามไปขอเวลาสอบอารมณ์ให้ญาติโยมเข้าอีกสักสิบห้านาที ด็อกเตอร์กลิตกับพัญญาจึงเดินไปบอกลูกชายสองคนที่วิ่งเล่นอยู่ไม่ไกลนักคนทั้งสี่ลงจากศาลาไปแล้วนางแต้มจึงพูดขึ้นว่าโอ้โหเพื่อนท่านสมพานธ์ทำไมถึงได้ดำเป็นเนียงเลยส่วนเมียก็ขาวอย่างกระไข่ปอกเวลาเดินด้วยกันฉันนึกว่าอีกาคาบไข่คำพูดของนางแต้มเรียกเสียงโหเราะจากทุกคนที่ฟังอยู่ รวมทั้งนางโถแม่แต้มก็พูดไปเรื่อยระวังนะว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองแม่โถแล้วก็ฉันพูดเล่นต่างหากละ่ะเอ๋ท่านสมพันธ์จ๊ะฉันอยากรู้จังเลยว่าทำไมคนเราถึงเกิดมาไม่เหมือนกันบางคนดำบางคนขาวบางคนขี้เร่บางคนก็สวยเพราะอะไรหรือจ้ะ แม่โยมที่โยมถามนี่น่ะเหมือนกับที่สุภามานพบุตรของโตเอยพรามทูลถามพระพุทธองค์ในครั้งพุทธกาลเลยนะอาตมาก็จะถือโอกาสตอบตามที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตอบสุภามานพคือพระพุทธองค์ทรงตอบว่าที่เป็นเช่นนั้นเพราะกรรม คนที่เกิดมารูปร่างสวยผิวพรรณงามดูแล้วหน้าเลื่อมใสเพราะเขาทำกรรมคือเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสไม่มักโกรธไม่ครึ่งเครียดหน้าเงาหน้างอส่วนคนที่เกิดมาขี้เรผิวพรรณซามเพราะเป็นคนมักโกรธใครพูดอะไรผิดหูหน่อยก็หน้าง้้า เดินลงส้นตึงตึงเพราะกรรมนั้นจึงทำให้เกิดมาขี้เรผิวพรรณามญาติโยมจำไว้นะชาติหน้าถ้าใครอยากเกิดมาหล่อเกิดมาสวยเหมือนพระเอกนางเอกต้องยิ้มแย้มจำใสเข้าไว้อย่าไปมักโกรธหรือขึ้งเครียดเดียดฉันใครเขา แล้วคนที่เกิดมาดำกับคนที่เกิดมาขาวเพราะกรรมอะไรจ๊ะอุบาสิกาวัยห้าที่นั่งติดกับนางโทถามขึ้นเออันนี้อาจตมมาก็ไม่ทราบหรือใครทราบช่วยบอกกันบ้างท่านโปรยคำถามเป็นอย่างนี้ได้ไหมจ๊ะท่านสมพาน อุบาสิกาคนเดิมว่าเป็นยังไงละ่ะอย่างนี้นะ่ะยังไงท่านถามยิ้มยิ้มคือฉันคิดของฉันเองว่าคนที่เกิดมาผิวขาวเพราะเขาใช้ดอกมะลิถวายพระส่วนคนผิวดำเขาใช้ดอกดินถวายคำตอบของอุบาสิกาทำให้ญาติโยมได้หัวเราะอีกวาระหนึ่ง เออเข้าทีคำตอบของโยมเข้าทีเอาละเราเลิกพูดเรื่องนี้กันได้แล้วใครมีข้อสงสัยเรื่องการปฏิบัติก็ถามได้อาตมาให้เวลาในการสอบอารมณ์อีกสิบห้านาทีลุงพ่อครับเวลาผมนั่งกำหนดพองหนอยุบหนอจะมีเสียงมากระซิบที่ข้างหูว่าอย่านั่งเลย ไปนอนเถอะเดี๋ยวจะนั่งให้เป็นเสียงใครครับบุรุษวัยยี่สิบเศษถามเสียงมาร น, นะสิมารไหนครับมารชนิดนี้เขาเรียกว่าเทวปุตตมารมารก็คืออุปสรรคหรือสิ่งที่ล้างผลาญคุณความดีตัวการที่ขัดขวางบุคคล มิให้บรรลุความดีงามโย ม, มาปฏิบัติกรรมฐานเท่ากับโย ม, มาสร้างความดีอันสูงสุดเมื่อทำความดีก็ต้องมีมารมาขัดขวางอาตมาถึงได้พูดเสมอๆว่ามารไม่มีบารมีไม่เกิดเหมือนตอนที่เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะจะบรรลุพระโพธิญาณ ก็ต้องผจญกับวสาวตตีมารดังปรากฏอยู่ในบทสวดชยมงคลคาถาบทแรกที่ขึ้นต้นด้วยพาหุงสหัสนั่นไงมารมีห้าประเภทได้แก่กิเลสมารขันธมารอภิสังขารมารเทวปุตตมารและมัจจุมาร เวลาเหลือน้อยอาตมาจะอธิบายเฉพาะเทวปุตตมานที่โยมะจนเมื่อกี้เทวปุตตมานหมายถึงมานคือเทพผบุตรอย่างวสวรตีมานที่มาผจนเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะในวันที่พระองค์จะตรัสรู้นั้นก็จัดอยู่ในประเภทเทวปุตตมาน เพราะคอยขัดขวางเหนียวรั้งบุคคลไว้มิให้ล่วงพ้นจากแดนอำนาจครอบงำของตนโดยชักให้ห่วงพวงในกามสุขไม่หานเสียสละออกไปบำเพ็ญคุณความดีที่ยิ่งใหญ่ได้เมื่อมารเข้าชวนอย่างนั้นโยมว่าอย่างไรละ่ะท่านถามผมบอกไม่เป็นไร ผมนั่งเองได้ตอบแบบนี้ถูกไหมครับถูกแล้วเราต้องเผชิญกับมารแล้วก็ต้องไม่หลงกลเพราะเขาไม่อยากให้เราทำความดีถ้าเราหลงกลเลิกปฏิบัติก็เท่ากับเสียรู้เขาญาติโยมจําไว้นะเราต้องเผชิญกับมารอย่างมีสติอย่ายอมแพ้เป็นอันขาด เอาละพักรับประทานอาหารกันได้แล้วช่วงบ่ายก็ขอให้ปฏิบัติกันตามลำพังอาตมาไม่ขึ้นมาสอบอารมณ์เพราะมีแขกขอตัวสักครึ่งวันนะท่านขออนุญาตลากิจครึ่งวันญาติโยมพากันกราบท่านสามครั้งจากนั้นเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจึงลงจากศาลาเดินไปยังกุฏิ ที่แขกคนสำคัญของท่านรออยู่